บางสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมันก็อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงหากเอ่ยถึงเรื่องราวลึกลับสยองขวัญ น, น่ากลัวน่าขนลุกหลายๆคนคงนึกถึงผูดผีและวิญญาณต่างๆซึ่งถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ แต่หลายคนอาจเคยสัมผัสถึงเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้ซึ่งมีพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายครั้งที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้ประสบพบเจอกับตัวเองยิ่งในยุคสมัยนี้การถ่ายภาพเป็นอะไรที่ง่ายมากกว่าในสมัยก่อนซึ่งใครๆต่างก็มีมือถือสำหรับถ่ายรูปกันทั้งนั้น ซึ่งภาพต่างๆที่ถ่ายมาเหล่านี้มันได้มีสิ่งประหลาดแปลกปลอมปรากฏอยู่ในรูปภาพโดยหาที่มาที่ไปไม่ได้และมาในรูปแบบสุดหลอนที่ทาให้ผู้ถ่ายและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพภาพถ่ายติดวิญญาณหลอนจนขนลุกแม้แต่ในต่างแดนก็ยังต้องตะลึง าติิดวญญณนี่อาจจะเป็นภาพถ่ายอุบัติเหตุธรรมดาทั่วไปหากแต่ว่ามันมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในภาพโดยปกติแล้วเมื่อมีอุบัติเหตุก็มักจะมีผู้สัญจรผ่านมาช่างภาพหรือนักข่าวจอดดูและถ่ายเก็บไว้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ในขณะนั้นช่างภาพคนหนึ่งได้บันทึกภาพนี้เอาไว้หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นเพียงไม่นานแต่เมื่อเขากลับมาดูที่ภาพถ่ายของเขาในภายหลังกลับพบว่ามีควันสีขาวขาวรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์ลอยอยู่เหนือกลุ่มคนที่ล้อมอยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุนั้นเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ มันถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาแต่คนส่วนใหญ่ต่างเชื่อกันว่ามันน่าจะเป็นดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตรงนั้นหลังจากผู้ประสบอุบัติเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาภาพ ป, ปิศนาในสมาร์ทโฟนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีชายคนหนึ่งซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ จากร้านค้าใกล้บ้านเมื่อชายคนนี้เปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อจะทดลองถ่ายรูปก็ต้องเจอกับสิ่งที่น่าขนลุกที่อยู่ภายในสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นภาพของหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งขอบตาฟกชำ้ำดูเหมือนกับศพติดมาในเครื่องด้วยที่สาคัญคือภาพนี้ไม่สามารถลบออกจากเครื่องได้ไม่ว่าจะทาการล้างข้อมูลในเครื่องแล้วก็ตาม ภาพก็ยังคงอยู่แม้แต่คนของบริษัทแอปเปิเองก็ไม่สามารถที่จะลบภาพดังกล่าวออกไปได้ทำให้เรื่องดาวนี้ได้แพร่กระจายและกลายเป็นข่าวดงดังในระยะเวลาเพียงไม่นานอิซา์ในคันมานดานี่คือภาพที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นเมื่อมีคุณแม่ท้องแก่รายหนึ่ง เดินทางไปหาหมอเพื่อทําการอันต้าสาวก่อนจะพบกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อซึ่งหากมองดูผิวเผินแล้วจะเห็นว่าภาพถ่ายนี้ก็เหมือนเช่นภาพถ่ายอันต้าสาวทารกในครรนทั่วๆวไปแต่หากพิจารณาดูใกล้ๆ ก, ก็เป็นอันจะต้องขนลุกสู้เมื่อพบว่ามันคือภาพสแกนที่ดูเหมือนกับปีศาจที่กําลังเฝ้ามองดูลูกน้อยอยู่ในครรน ภาพชวนขนหัวลุกได้ถูกแช่ต่อกันไปทั่วสังคมออนไลน์เมื่อภาพอันต้าสาวทารกในคันภาพหนึ่งถูกสังเกตเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับปีศาจรปรากฏตัวอยู่ทางด้านขวาของเด็กทารกพร้อมกับกำลังจ้องมองมันที่ตัวเด็กอย่างน่ากลัวภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพร้อมกับคาพูดว่าภาพอันตราาของเพื่อน เมื่อดูแล้วจะเห็นและหลังจากภาพถูกโพสต์ไปได้เพียงสองวันเท่านั้นมีผู้เข้าไปชมมากกว่า 1.5 ล้านครั้งเลยทีเดียวทายลึกลับนี่คือภาพถ่ายของนักปีนเขารายหนึ่งที่ยืนอยู่บนแกรนแคนยอนได้ถ่ายในช่วงทศวรรษที่ 1,970 ถึง 1,980 เมื่อมองดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่เมื่อสังเกตดูให้ดีทางด้านซ้ายมือจะพบกับสิ่งผิดปกติเมื่อมีบุรุษลึกลับที่ดูน่าขนลุกแอบซ่อนตัวอยู่ตรงพุ่มไม้แล้วจ้องไปยังกล้องตัวที่ถ่ายอยู่นั้นอีกด้วยโดยเพื่อนๆคณะนักปีนเขากลุ่มนี้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาอยู่ในจุดนั้นนานกว่า15นาที และขณะที่พวกเขาทำการถ่ายภาพไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยใครในกระจกการถ่ายภาพเซลฟี่ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วในปัจจุบันดังเช่นคู่รักหนุ่มสาวชาวอินโดนีเซียคู่นี้ขณะที่พวกเขาถ่ายภาพคู่ที่หน้าโรงแรมที่พวกเขาไปพักในวันหยุดพักผ่อน เมื่อมองดูผิวเผินแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีแล้วละก็ภาพสะท้อนจากกระจกด้านหลังที่ควรจะเป็นภาพเงาสะท้อนของหญิงสาวกับกลายเป็นใบหน้าของคนแปลกหน้าที่ไม่มีใครรู้จักสร้างความตกตะลึงและขนลุกแก่เจ้าของดูภาพและผู้คนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก สมภัทสิโย